ทีนี้ถามว่าถ้าพระองค์คืนนั้นพักอยู่ที่วัดปุปพารามวัดของนางวิสาขาเช้ามาพระองค์ต้องการพักกลางวันและกลางคืนที่เชตวันก็ดูว่าพระองค์ก็จะเก็บงําเสนาสนะเนี่ยนะแลจัดโน่นจัดนี่ก็แปลว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้กลับมาค้างคืนที่นี่อีกพระนนก็เข้าใจผู้ประสงค์ว่าพระองค์จะต้องไปพักที่วัดปุปพารามทีนี้ถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จจะไปเที่ยวบินฑบาตตามลำพังพระองค์เอียว คือไม่ต้องการใครติดตามทั้งนั้นน่ยต้องการบิณฑบาตแต่เพียงพระองค์เดียวเนี่ยครั้งนั้นพระองค์ก็จะปฏิบัติสรีรากิจแต่เช้าเข้าพระคันธกุฏปิดพระทวารปิดประตูแล้วเข้าพระรสมบัติปิดประตูเรียบร้อยหมดเลยเนี่ยนะพระองค์ยังอยู่ในกุฏิแต่ว่าปิดประตูหมดท่านนเห็นกุฏิปิดแล้วพระองค์ตื่นเหมือนกับเหมือนอย่างว่าทําสรีรากิจแต่เช้าเข้าห้องปิดประตูไม่รู้อยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะตอนนั้นเนี่ย ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าประสงค์จะเสด็จไปเพียงพระองค์เดียวเพราะฉะนั้นพระภิกษุก็นิมนต์ไปบิณฑบาตเถอะว่า ง, งั้นะะน่ะพันธาโนนก็จะรู้เลยว่าวันนี้พระพุทธเจ้านั่งตรวจเหล่าสัตว์ที่ควรตรัสรู้พระองค์ต้องมีบุคคลที่พระองค์จะไปโปรดไปสงเคราะห์ไปช่วยให้เขาบรรลุมรรคผลแน่ก็จะให้ภิกษุให้สัญญาณให้สัญญาณแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอาวุโสทั้งหลายวันนี้พระพุทธเจ้า ประสงค์จะเข้าไปตามลําพังพระองค์ต้องการจะไปบินธบาตตามลาพังเพราะฉะนั้นท่านเตรียมพิกขาจารย์ก็แปลว่าท่านไปบินธบาตตามอัธยาศัยก็แล้วกันเนี่ยนะคราวใดพระองค์มีพุ้ท้ประสงค์จะให้พิสูจนเนี่ยนะเป็นบริวารเสด็จไปบินธบาตหมายาว่าให้พระพิสูจ์ติดตามเวลาไปบินธบาติคราวนั้นพระองค์ก็จะแงม้มพระทวารก็แปลว่าเปิดประตูเอาไว้ น, นะเปิดประตูกุติและพระประทับนั่งเข้าพละสมาบัติท่านนนก็รู้แล้วว่าพระองค์นั่ง เปิประตูอยู่นี้แปลว่าพระองค์ต้องการให้พระภิกษุทั้งหลายไปบินธบัดพร้อมกับพระองค์ให้ติดตามพระองค์ไปเนี่ยนะพระอนุนก็จะไปบอกไปประกาศบอกพระภิกษุทั้งหลายว่าวันนีนะ้ท่านทั้งหลายเป็นบริวารติดตามพระพุทธเจ้าไป คือเขารู้ว่าตอนไหนควรจะไปเดี่ยวควรไหนจะไปเป็นหมู่คณะพร้อมกับพระพิสูตสองหมู่ใหญ่ไม่อย่างนั้นเนี่ยในพระสูตรเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีพระองค์ก็เสด็จพระองค์เดียวบางทีพระองค์ก็เสด็จมากมายเนี่ยนะถ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ประสงค์จะเสด็จพระองค์เดียวเนี่ยนะพระพิสูตทั้งหลายเนี่ยอย่าขัดใจเลยเท่านั้นนะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์เก็บทำพฤติกรรมที่พระองค์จะไปลําพังพระองค์เดียวเนี่ยนะพระพิสูตรหลายรูปต้องการจะติดตาม ท่าน น, นห้ามเลยบอกว่าอย่าติดตามเลยพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์จะให้พวกเราติดตามเนี่ยนะจากกิริยาหลายๆอย่างเนี่ยไม่ต้องติดตามเลยว่างั้นนะจำนวนว่าไม่ต้องขอร้องกันเลยแหละคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเปลี่ยนใจได้เนี่ยนะคือคือถ้าโดยลําพังทั่วๆไปแล้วไม่มีใครเปลี่ยนใจเนี่ยนะนะก็บอกว่าแม้กระทั่งอ่าสมัยตอนที่วัดสร้างวัดปุพารามก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยฉันเสร็จปกติแล้วพวระองค์ต้องเดินกลับมาเชตาวันใช่ไหมตอนนั้นปุพารามสร้างใหม่ๆ พระองค์ออกอีกทิศหนึ่งเลยนะบ่ายหน้าไปสู่ประตูเดินทางจาริกเลยนางวิสาขาไปกราบทูลอ้อนวอนนิมนต์พระองค์ก็บอกว่าวิสาขาเนี่ยนะคมก็เตือนอะนะว่าพระองค์เนี่ยมีกิจที่จะต้องไปสงเคราะห์สัตว์นางก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็อันิมนต์พระภิกษให้พระภิกษุสักรูปหนึ่งเ ป, เป็นเจ้าหน้าที่ธุราการดูแลการก่อสร้างหน่อยได้ไหมพระองค์ก็บอกว่าเธอต้องการภิกษุรูปไหนล่ะใจจริงเนี่ยอยากให้พระนนท์เนี่ยอยู่มาก แต่ไม่รู้จะทาไงเพราะพระนรนเป็นพุทธอุปถากและพระนร น, นเองก็ไม่ชํานาญในเรื่องการก่อสร้างก็เลยบอกนีตมณฑปโมคขลานะอยู่ดูแลการก่อสร้างก็แล้วกันนะนะพระโมคขลานะก็บัญชาการก่อสร้างภายในไม่กี่เดือนสร้างเสร็จหมดเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าระบบการขนส่งระบบอะไรเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยงานเนี่ยทำไม่ยากเลยเนี่ยนะแป๊บเดียวสร้างวัดปุพารามสําเร็จสร้างสร้า ง, างตึกสองชั้นชั้นละห้าร้อยห้องเนี่ยนะ วัดใหญ่มากเลยเนี่ยนะห้องกลางเป็นห้องพระพุทธเจ้าข้างซ้ายข้างขวาเป็นห้องพระโมคคัลลานะพระสารีบดถ์แล้วก็ห้องพระพิสุสง์เป็นต้นเนี่ยสร้างใหญ่มากเลยเนะี่ยพันห้องนี้ไม่ไม่เล็กเลยนะพันห้องสองชั้นนี่ก็ถือว่าใหญ่โขเหมือนกันนางวิสาขาก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะวัดปุพารามเน่มีมีอะไรนะมีปราสาทเรียกว่าปราสาทของนาง เขาเชื่อว่าปราสาทของนางวิสาขาเหมือนกับโลหะปราสาทเนี่ยนะมันก็โลหะปราสาทเนี่ยนะเขาคิดอย่างนี้เขาเชื่อกันแบบนี้ความจริงบางท่านก็เลยเล่าว่าโลหะปราสาทเนี่ยที่1ก็คือวัดนางวิสาขาวัดปุภารามอย่างที่2ก็คือที่ที่อะไรอนุราธปุระเนี่ยนะที่ศรีลังกาแล้วก็ที่สก็คือที่บ้านเราอ่ะที่วัดราชนัดดาเนี่ยนะเรียกว่าโลหะปราสาทมันก็เป็นถือว่าเป็นแห่งสุดท้ายเนี่ยนะโลหะปราสาท ทีนี้ถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จจะจาริกไปในชนบทเนี่ยนะพระนนทจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้พระองค์ไม่ได้อยู่เมืองสาวัตถีแล้วนะแสดงว่าต้องการจะไปจาริกณถิ่นอื่นเมืองอื่นชนบทอื่นประเทศอื่นเนี่ยนะบอกว่าคราวนั้นพระองค์จะเสวยเกินสักสองคำพระนนทแพทย์จะเรียกว่าเห็นพระองค์ฉันเนี่ยรู้เลยว่าพระองค์ฉันไปกี่คํานี้ฉันเกินปกตินิดหน่อยเนี่ยนะชันเกินสองสามคำเนี่ยพระนนทสังเกตขนาดนั้นนะ หรือตอและฉันเสร็จแล้วพระองค์ก็จงกรมเสด็จจงกรมไปไ ป, ไปมามาทุกเวลาเดินจงกรมบ่อยบ่อยกว่าปกตินี่นะเรียกว่าเหมือนกับวอมวอมบ่อยมากเลยนะเดินไปเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็เดินเนี่ยเขแสดงว่าพระองค์ต้องการจะเสด็จจาริกไปในชนบทก็ให้สัญญาณแก่พิสุททั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระพุทธทประสงค์จะเสด็จจาริกไปในชนบท พวกท่านจงทํากิจที่ควรทําของท่านเสียคือในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของโลกพร้อมทั้งเทวโลกทุกอย่างที่พระองค์ปฏิบัตินั้นก็สุดแท้แต่พระองค์เนี่ยประสงค์เพราะว่าสาวกทั้งหลายเขามีศรัทธามีความเลื่อมใสยอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าประสงค์สิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเขาก็โอนอ่อนผ่อนตามพระพุทธเจ้า ทุกประการเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยนะโดยเฉพาะในปฐมโพธิการปีที่หนึ่งถึง20และก่อนตรัสรู้เนี่ยนะหลังจากตรัสรู้ไปแล้วปีที่หนึ่งถึงปีที่20พระพุทธเจ้าพระองค์จำพรรษาไม่ประจำที่นะเช่นช่วงสองสามปีแรกปีแรกก็อยู่ที่วัดวัดไหนวัด ป่าปตนะมรุกขายวัน2องสามสี่ก็อยู่ที่เวลุวันหลังจากนั้นก็เสด็จประทับอยู่ตามที่ต่างๆทีนี้พอ2ีปีอ่หปีหลังโดยมากพระองค์จำพรรษาอยู่ที่กรุงสาวัถีเนี่ยนะอยู่ที่สาวทตถีโน้นพรรษาสุดท้ายจึงไปจำพรรษาอยู่ที่เวสาลีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะแต่โดยมากแล้วอยู่จําพรรษาเนี่ยยีพรรษาที่เมืองสาวัถีเนี่ยนะ มันตอนใดที่พระองค์จำพรรษาอยู่ที่เมืองสาวัตถีหรือพักอยู่ที่เมืองสาวัตถีพระองค์จะใช้สถานที่สองแห่งเรียกว่าอยู่สองวัดอน่นะพระองค์อยู่เชตาวันหรือว่าอยู่วัดปุพารามบอกว่าอยู่ทั้งสองที่เช่นกลางคืนประทับอยู่ในวัดเชตาวันรุ่งขึ้นแวดล้อมไปด้วยพิฆสูสองเสด็จเข้าไปบินทบาทในกรุงสาวัตถีทางประตูทิศใต้นะประตูทิศใต้ของเมืองอ่ะนะเสด็จเข้าไปประตูทางทิศตะวันออกอ่า วัดเชตวันเนี่ยอยู่ที่ใต้ของเมืองวัดปุปพารามเนี่ยอยู่ที่ตะวันออกของเมืองสาวัตถีเพราะฉะนั้นตกกลางคืนพักอยู่ที่เจตวันกลางวันก็ไปพักอยู่ที่ปุปพารามแล้วก็จำวัดที่นั่นเช้ามาก็เข้าเมืองมาฉันในเมืองเสร็จก็มาพักกลางวันแล้วก็ประทับจำค้างคืนอยู่ที่เชตวันก็สลับไปสลับมาสลับมาสลับไปอย่างนี้เพราะเหตุใด ทำไมพระ อ, องค์จึงโดยมากจึงอยู่สองที่เนี่ยเป็นประจํานะไม่ไปพักที่อื่นเลยเนี่ยนะทั้งๆ ท, ที่สาวถีก็มีอีกหลายวัดนะเช่นราชิการามอะไรเป็นต้นก็มีตั้งหลายวัดทําไมพระ อ, องค์ไม่ไปก็เพราะพระ อ, องค์จะสงเคราะห์ตระกูลสองตระกูลอันนี้นะนสองตระกูลนี้มีธรรมดาว่ามนุษย์คนใดคนหนึ่งผู้ตั้งอยู่ในความเป็นมนุษย์บุคคลที่จะเป็นเหมือนกับท่านอนาตะปินทิกะเศรษฐีไม่มี ที่เรียกว่าจะบริจาคทรัพย์เพื่อเพื่อพุทธบูชาเนี่ยนะสละทุกอย่างเพื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ชายที่ทําเสมอเหมือนกับอนาถปินธิกาเศรษฐีไม่มีส่วนผู้หญิงเนี่ยนะตั้งอยู่ในความเป็นมาตุคามที่จะเหมือนกับนางวิสาขามหาอุบาสิกาที่จะบริจาคทรัพย์อุทิศพระตถาคตสมัยพุทธกาลอย่างนั้นไม่มีเนี่ยนะไม่มีผู้ใดเขาทำทำท ำ, ทำจริงทําจังทําเอาเป็นหน้าที่เป็นการเป็นงานเช่นกับ นางวิสาขากับอนาถาปินทิกะเศรษฐีเนี่ยนะพ่ออะไรเพราะว่านางวิสาขากับอนาถาปินทิกะเศรษฐีเนี่ยเลี้ยงพระภิสุส่งวันละประมาณพันรูปที่ว่านทุกวันเนี่ยนะทำบุญถวายทานเนี่ยเลี้ยงพระภิสุส่งประมาณวันละพันรูปพันรูปพันรูปทุกวันเลยแล้วก็ไป ทำบุญที่วัดอีกต่างหากอุปการะอย่างอื่นสร้างวัดอีกต่างหากเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะจนถึงว่าพระทิ่สุรูปใดที่มาเมืองสาวัตถีที่ไม่เคยฉันไม่เคยบริโภคปั จ, จัยสีของนางวิสาขาไม่มีนางวิสาขายิ้มได้เลยเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าหากบอกองนั้นปรินิพานแล้วท่านนางก็ถามว่าเคยมาสาวัตถีไหมว่าเคยโอ้ถ้าเคยนางได้ทาบุญไว้แล้วล่ะ เนี่ยนะท่านนางก็จะปีติได้เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่ได้ดิบได้ดีบรรลุมรคผลเป็นโสดาบันเป็นพระสกาทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันเนี่ยนะนางจะถามว่าท่านเหล่านั้นเคยมาสาวถีไหมถ้าเคยเนะี่ยนางได้บุญแล้วเนี่ยนะนางอะไรนะเป็นอาบุญของนางนางได้ทําบุญไว้เสร็จแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมรคผลนิพพานที่ท่านเหล่านั้นได้นางก็มี มีส่วนเนี่ยนะมีส่วนเพราะอะไรเพราะได้ทําบูชาท่านทั้งหลายเหล่านั้นแล้วเพราะท่านทําบุญทั้งอาคันตุ ก, กะทานต้อนรับพระคันตุ ก, กะผู้ที่จะเดินทางไปฉันที่บ้านนางได้เลยเนี่ยนะหรือไม่สบายก็ไปฉันที่บ้านนางผู้ที่ดูแลพระป่วยก็ไปฉันที่บ้านนางคือปกติเลี้ยงพระวันตั้งเป็นพันรูปเนี่ยนะแต่ ก, ก, ก็ก็เป็นมหาเศรษฐีที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะเศรษฐีอินเดียสมัยก่อนเนี่ยเศรษฐีมหาเศรษฐีใหญ่ๆ อ, อยู่ไม่กี่คนเอง ทีแต่เป็นเศรษฐีชนิดที่เรียกว่าโคลนี่มีหลายแสนตัวเนี่ยนะไม่ใช่มีโคแค่2องสรอยตัวหรืออะไรเนี่ยมีโคเป็นแสนตัวมีเงินมีทองเขาก็นับกันเป็นร้อยลําเกวียนเนี่ยนะ ม, มีขนาดนั้นอ่ะรวยจริงๆว่า ง, งั้นแล้วก็เป็นผู้ที่อ่าอะไรนะเป็นนายมาลาการผู้ฉลาด คือฉลาดจัดดอกไม้ด้วยแล้วสวนดอกไม้เขาเยอะด้วยแล้วจัดดอกไม้เก่งด้วยฉันใดานางวิสาขาอนาถก็เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่มีศรัทธา ม, มากด้วยมันจัดแจงบริหารแต่ธุรกิจไม่เสียหายเลยเนี่ยนะก็บริหารกิจการอย่างอนาถบินทิกาเศรษฐีนี่เป็นเจ้าของโรงงานหลายแห่ง น, นะเป็นเจ้าของโรงงานหลายแห่งแล้วก็ค้าขาย นั้นอาชีก็ค้าขายขนทรัพย์จากเมืองสาวัตถีไปขายราชเ จ, จ้าครืขายขนทรัพย์จากราชจ้าเครือมาค้าขายที่เมืองสาวัตถีก็เป็นตระกูลพ่อค้าเนี่ยนะเป็นพ่อค้าด้วยอาณาฐานี่เป็นพ่อค้าใหญ่มากเลยก็ยังทํามาค้าขายแต่ก็ยังเจริญกุศลอย่างอื่นเนี่ยนะแสดงว่าเป็นบุคคลที่ฉลาดในประโยชน์ โลกนี้อย่างมากเนี่ยนะฉลาดประโยชน์โลกนี้เกื้อกูลตนให้เป็นสุขเกื้อกูลครอบครัวให้เป็นสุขเกื้อกูลสมณะชีพราหมณ์เป็นต้นให้เป็นสุขขณะเดียวกันก็หวังผลประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็เป็นพุทธบูชาเนี่ยนะพันธุ์ท่านก็เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเนี่ยนะมอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนะตรายพันธุอะไรที่จะเป็นไปเพื่อ ความเจริญในพระพุทธศาสนาท่านเหล่านั้นก็ไม่นิ่งดูได้เนี่ยนะภาพเพียรพยายามอุตสาหะถือว่าเป็นธุระของตนเนี่ยนะถือว่าเป็นธุระของตนเพราะจากสองวัดเนี่ยนะสองวัดวัดปุพารามกับวัดเชตวันเนี่ยนะจึงเป็นที่ตั้งแห่งการแสดงธรรมอย่างพระสูตรเนี่ยนะพระสูตรเนี่ยจำนวนมากเลยแสดงที่วัดเฉตวันกับวัดปุารามเพราะพระสูตรที่แสดงมากนี่ก็คือสูตรที่แสดงที่เมือง สาวัตถีพระธรรมเทศนาที่แสดงเมืองสาวัตถีเยอ o ที่สุดนั่นะนะไม่มีที่ไหนจะเยอะเท่ากับเมืองสาวัตถีอีกแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์ประจําอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วไปไปมามาเนี่ยสี่สิบสี่ปีจําพรรษาเนี่ยติดต่อกันยี่สิบห้าปีนะครับพระธรรมเทศนาจึงมีที่นั่นแล้วที่นั่นเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่มากรวบอํานาจอะไรเมืองกบิลพัทเนี่ยนะประเทศเนปาเนี่ยขึ้นตรงต่อ สาวถีทั้งหมดเมืองพารณสีก็ขึ้นตรงต่อสาวถีเนี่ยนะั้นใหญ่มากเลยนะมันก็แล้วก็นางก็เป็นผู้ที่มีศรัท ธ, ธามากทำบุญไว้เยอะเนี่ยนะก็ควรแก่การอนุโมทนาเนี่ยนะว่าซึ่งเราไม่มีโอกาสได้ทำชเช่นกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ อ่ะ น, นะบุญกิยาวัตถุสิบมีสิบข้อไหมเราก็เจริญอนุโมทนาไหม่นะนะอนุโมทนาในผู้ที่มีบุญที่เขาได้กระทําบุญซึ่งทําต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระภิสุสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นพระอริยเจ้าเนี่ยนะทีนี้วันนั้นพระพุทธเจ้าประทับกลางวันประทับกลางคืนอยู่ที่เชตวันเมื่อวันนั้นองจําอ จำพักแรมคืนเนี่ยนะอยู่ที่วัดเชตวันเช้ามาก็ต้องไปบิณฑบาตชันในเมืองสาวัตถีชันเสร็จแล้วก็ข้ามไปที่วัดปุปารามเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยจะต้องเสด็จไปยังซุ้มประตูที่ตะวันออกเพื่อสงสนารพระองค์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะทูลอ้อนวอนขอร้องนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ไปยังอาสมของ ร, รัมมกะพราหมณ์เมื่อเป็นเช่นนั้นพิสูจเหล่านั้นก็จะได้ฟังทำมีคาถาเฉพาะพระพักของ พระผู้มีพระภาคเจ้านั่นนะก็พระนร น, นี่ก็สั่งให้พระพิสุประมาณห0 0ร้อรูปเนี่ยไปรอที่อาสมของ ร, รัมมกะพราหม์เสร็จแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จเข้าไปบิณฑบาต ท, ที่กรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายภายหลังเวลาปัจชาภพัตแล้วพระองค์ก็ตรัสเรียกพระอ น, นน์มาตรัสว่า อานอนท์เราจะไปหลีกเร้นพักผ่อนกลางวันที่ปร า, าสาทของมิคารมาดาวิสาอะนะคือปร า, าสาทของนางวิสาขาที่วัดปุพารามท่านพานนก็ทูลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จไปกับท่านพระอานอนท์ไปพักผ่อนหลีกเร้นกลางวันอยู่ที่ปร า, าสาทแห่งนางแห่งมิขารมาดาคือนางวิสาขาที่วัดปุพาราม เวลาเย็นพระองค์ก็เสด็จออกจากที่พักที่หลีเกเรนแล้วก็ตรัสเรียกท่านพระ อ, อ น, นุนมาว่า อ, อ น, นุนมาเราไปส่งน้ําที่ท่าปุบพระโกธกะท่านพระ อ, อ น, นุนก็รับทูลรับพระดํารับแล้วก็คือพักผ่อนหลังจากพักผ่อนลีเกเรนเสร็จพระองค์ก็ไปส่งน้ำเนี่ยนะชวนพระ อ, อ น, นุนไปส่งน้ํา